สิ่งที่แสดงด้วยชื่อทั้งหลายนั้นล้วนว่างเปล่าจากธรรมชาติที่แท้จริงของมันเองเพราะว่าทุกๆสิ่งโดยทั้งหมดแล้วล้วนปราศจากแก่นสารสาระที่แท้จริงทั้งในตัวเหตุหรือตัวปัจจัยของมันทั้งหมดทั้งโดยองรวมหรือแยกส่วนก็ตามล้วนว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริง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 ต่างเป็นเหตุซึ่งกันและกันมันจึงไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันเองแล้วสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่โดยตัวของมันเองจะก่อให้เกิดสิ่งอื่นได้อย่างไรปัจจัยที่มีอยู่ได้ต้องอาศัยสิ่งอื่นย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดสิ่งอื่นได้พ่อย่อมไม่ใช่ลูกลูก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 ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสิ่งอื่นและเกิดขึ้นโดยไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นย่อมไม่ได้มีอยู่กล่าวค้านหากว่าสรรพสิ่งมิได้มีอยู่โดยตัวมันเองแล้วดังนั้นสิ่งได้อยสิ่งกลางและสิ่งเลิศและสิ่งต่างๆของโลกก็ย่อมไม่ได้เกิดขึ้น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 ความมีอย <necessary. S 2> ู่และความไม่มีอยู่ย่อมไม่เกิดขึ้นพร้อมกันหากปราศจากความไม่มีอยู่ย่อมไม่มีความมีอยู่ทั้งความไม่มีอยู่และความมีอยู่ย่อมคู่กันเสมอมันไม่ได้มีความมีอยู่ที่ไม่ขึ้นกับความไม่มีอยู่หากปราศจากความมีอยู่ย่อมไม่มีความไม่มีอยู่ ความมีอยู่ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเองและมิได้เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ความมีอยู่จึงไม่ได้มีอยู่จริงดังนั้นมันจึงไม่ได้มีความมีอยู่และความไม่มีอยู่ที่แท้จริงหากมันมีความมีอยู่จริงมันย่อมมีความเที่ยงแท้ถาวร และหากมันมีความไม่มีอยู่จริงมันย่อมต้องมีความดับศูน์เมื่อมีความมีอยู่ย่อมมีสองลักษณะนี้ดังนั้นความมีอยู่จริงจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้กล่าวคานสองลักษณะนี้ต่างไม่ได้มีอยู่เนื่องเพราะความสืบเนื่อง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 ย่อมไม่ใช่มีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่ความจริงนี้ใช้ได้กับทุกปรากฏการณ์กล่าวคา้านได้มีการกล่าวถึงเรื่องช่วงเวลาแห่งกรรมธรรมชาติแห่งกรรมและผลของกรรมรวมทั้งกรรมของแต่ละบุคคลในการมีชีวิตอยู่